ที่เราจะต้องทำในวิธีการที่สองนิพพานังประมังวัฏทันติพุท ธ, ธาแค่สองข้อนก็หมดเวลาแล้วดังนั้นค่อยไว้ต่อวันต่อไปนะช่วงเช้ามีเวลาสั้นเราไปปฏิบัติสองชั่วโมงตั้งแต่ตีสามถึงต5ห้าบางคนก็ได้ชั่วโมงเดียวบางคนก็ได้ครึ่งชั่วโมงใช่วันนี้ที่มาได้สองชั่วโมงดูแล้วมีอยู่ตอนแรกมีสี่ใช่ไหมหลังเรา ห, หเราเพิ่มขึ้นมาใครว่างมาหลัง